ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเรื่องเก่าที่เรารักไปตุยตุยตินตินนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 89.5 บเุมกรเฮิร์ส์นะครับครั้งนี้กลับมาพบกันเปงครั้งที่สองแล้วหวังว่าน่าจะมีความคุ้นเคยกันมากขึ้นนะครับกับผมตุยเฉลิตอรุณทั์นะครับครับเพลยที่เพิ่งจบไปก็ ต่อยอดมาจากข่าวที่แล้วนะครับที่เรายัางพูดถึงเรื่องราวของพี่แหวนธิติมาสุตตะสุนทรร็อกเกอร์หญิงคนแรกของเมืองไทยของเราอยู่นะครับแล้วสําหรับอาทิตย์นี้ผมก็เลือกเปิดตัวด้วยเพลงผู้หญิงคนนี้เพลงแรกที่ทําให้เราได้รู้จักกับพี่แหวนในอัลบั้มชุดชันเป็นชันเองเมื่อปี2527นะครับเพลงนี้เป็นการบ่งบอกตัวตนของอ พี่แหวนได้เป็นอย่างดีนะถ้าใครยังจําได้ปกเทปชุดแรกเนี่ยเป็นพี่แหวนใส่ชุดหนังทําผมเปียกๆแต่งหน้าแบบพังนิดๆแล้วก็ยืนกอดอกอยู่บนปกเทปแล้วก็มีผู้ชายสองคนยืนอยู่ข้างหลังเป็นปกเทปที่สะดุดตามากๆบนแผงผมจําได้ว่าผมกับเพื่อนเนี่ยวิ่งไปร้านเทปต้องไปซื้อมาแล้วมาอวดกันว่า ได้แล้วนะชุดนี้ตอนนั้นถ้าใครไม่มีเนี่ยถือว่าเชยนะฮสำหรับเทปชุดแรกของพี่แหวนครับ เ, เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้พูดถึง อ, อ, อัลบั้มชุดที่4ของพี่แหวนเกริ่นไว้ว่าเพลงชุดนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของนักร้องของวงการเพลงไทยในช่วงนั้นและปรากฏการณ์ที่ว่าเนี่ยก็คือ หลังจาก3มชุดแรกของพี่แหวนไ ด, ได้ทำความรู้จักกับแฟนๆไปแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นฉันเป็นฉันเองเรามีเราคนที่รู้ใจกลางปี2อ3 1อเนี่ยพี่แหวนก็ได้ทำอัลบั้มเพลงชุดที่4นั่นก็คือชุดสัญญิสัญญาซึ่งช่วงนั้นเนี่ยนักร้องชายกำลังครองตลาดอยู่นะฮะแล้วที่ดังมากๆก็คือพี่ป้อมอัศนีแล้วก็ พี่โตวสันกับชุดกับเพลงเพลงเพลงที่หลายหลายคนน่าจะยังจำได้นะั่นคือเพลงก็เคยสัญญาที่ได้คุณมาชามาเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอน ะ, ะครับทีนี้พอเพลงของพี่เป้า อ, อัศนีดังเนี่ยก็เคยสัญญาตอนนั้นทุกคนโอ้ไปที่ไหนเนี่ยต้องต้องได้ยินต้องร้องได้นะครับทางค่ายแกรมมี mie, ่ก็เลย แต่งเพลงสัญญิงสัญไพ่สัญญิงสัญญาออกมา้พี่แหวนร้องเพื่อเป็นการล้อเป็นการแก้กับเพลงก็เคยสัญ ญ, ญาของพี่ป้อมสันนีซึ่งปรากฏว่าพออัลบั้มชุดที่4สัญญิงสัญญาของพี่แหวนออกมาวางตลาดเนี่ยกลายเป็นอัลบั้มที่มียอดขายถลม่มทลายจริงๆนะฮะเพราะว่าด้วยตัวเพลงแล้วก็วิธีการร้องของพี่แหวนในชุดนี้ก็จะร้องกับ คล้ายๆสำเนียงลีลาคล้ายๆพี่ปอมก็จะมีความเย็นยานแบบหนึบๆนิดนึงซึ่งแตกต่างจากอัลบั้มสชุดแรกที่แกเคยร้องมานะครับซึ่งเพลงนี้พอๆพ อ, ออกมาเนี่ยก็โดนใจไม่ว่าจะเป็นชาวร็อกชาวป๊อปเนี่ยโอ้โหชื่นชมกันมากๆเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอัลบั้มที่จะได้ว่าขายดีที่สุดก็ได้นะครับสาหรับสาหรับพี่แหวนเพราะว่าถือได้ว่าเป็นอัลบั้มที่แตะล้านตลับ เกือบเกือบล้านตลับนะฮะอันนี้ก็คือข้อมูลที่ได้มาเนี่ยอัลบั้มชุดสัญญสัญญาเนี่ยยอดขายประมาณ900 0 0 0ตลับอันนี้ข้อมูลจากวิกิพีเดียนะครับเเพลงชุดนี้นอกจากเพลงใครสัญญสัญญาที่ที่โดนใจคนฟังแล้วนะฮะก็ยังมีเพลงเชื่อว่าอันเนี้ยต้องทุกคนต้องเคยฟังก็คือเพลงยิกยักยิกยักแล้วก็ของดีๆฟ้ายังมีฝน แล้วก็อีกหลายๆเพลง2องมือสอตา1ใจซึ่งเพลงพวกนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยเรายังได้ยินกันอยู่ลเลยนี่คนมาร้องใหม่คอฟเวอร์กันใหม่แล้วก็ยังมีคลื่นวิทิวเปิดอยู่นะฮะนั่นะแสดงว่าเป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงที่รับความนิยมตลอดกาลหรือว่าเป็นเป็นเพลงที่ไม่มีการเวลามาเป็นตัวกําหนดนะฮนะครับ <S <S ออตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่ามิวสิควิดีโอของพี่แหวนใน album ชุดสนญญสัญญาเนี่ย ทางค่ายกรมมี่เนี่ยทำออกมาถึง7เพลงนะครับซึ่งถือได้ ว, ว่าเป็นเป็นเป็นปรากฏการณ์ใหม่จริงๆแล้วก็มีการยิงสปอร์ตมีการโปรโมทกันจนถึง9เดือน10เดือนซึ่งเราไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนนะในช่วงนั้นซึ่งจะว่าไแล้วชุดนี้เนี่ยที่ได้รับความนิยมแล้วก็โดนใจหลายๆคน น, นอกจากความแสดงความเป็นร็อกของของพี่แบนได้ชัดเจนที่สุดละ ผมว่าตัวตัวเพลงเนี่ยมันให้ความรู้สึกจะเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ร้องได้หมดนะฮะใครฟังก็จะเพลาะหมดใครร้องก็จะมันมันเข้าปากหมดทําง่ายๆก็เลยทำให้ได้รับความนิยมเรียกว่ามากที่สุดชุดหนึ่งของของพี่แวนนะฮะครับและนอกจากความนิยมที่รับแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ควบพูดมาก็คือการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ต ช่วงนั้นจำได้ว่าพี่แหวนเนี่ยทัวร์คอนเสิร์ต ท, ทั่วประเทศโอ้โหคิวแน่นมากวันหนึง่งหลายๆงานก็มีนะฮะครับแล้วการทัวร์คอนเสิร์ตของนักร้องสมัยก่อ น, นไม่รู้ว่ายัางจํากันได้ไหมก็คือเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีการแห่แห่นักร้องนะฮะขึ้นรถกระบะแล้วก็จะมีแฟนเพลงขับมอเตอร์ไซค์ตามโบกไม้โอกมือเอาขนมให้เอาของให้ซึ่งสมัยนีย้เราคงไม่ได้เห็นภาพแบบนั้นกันแล้วนะฮะสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าใครที่ดังนักร้องคนไหนที่ เพลงได้รับความนิยมมากๆเนี่ยก็จะต้องมีการทัวร์เดินสายทั่วประเทศแล้วก็เรียกกันว่าชุดนึงเนี่ยเดินสายกันเป็นปีแทบจะครบทุกจังหวัดในในประเทศไทยนะฮะครับจำได้ว่าการขึ้นคอนเสิร์ตของพี่แหวนที่ที่เรายังจําได้กันอยู่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะก็คือคอนเสิร์ตโลกดนตรีที่ที่สนามเป้าทางททบ5เนี่ยตอนนั้นพี่แหวนออกอัลบั้มเรามีเราเนี่ยแหละครับแล้วก็อย่างที่บอกคือ นักร้องผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยเขาจะแต่งตัวเต็มที่จะใส่กระโปรงใส่ชุดปิปป๊บปั๊บมีกากพงกากเป็นอะไรแต่ว่าพี่แหวนเนี่ย mm hmm. ก็แต่งตัวด้วยความเรียบง่ายจะใส่เสื้อเชิ้ตใส่กางเกงยีนใส่รองเท้าบําเบลก็ทําให้คนดูรู้สึกสัมผัสได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายนะฮะรวมไปถึงการที่พี่แหวนเนี่ยร้องเพลงได้หลากหลายไม่ว่าจะเพลงไทยเพลงสติงเพลงสากลรวมไปถึงเพลงลูกทุ่งถ้าใครได้ดู คอนเสิร์ตลดนตรีในวันนั้นก็จะรู้สึกประหลาดใจว่าเอ๊ะนักร้องสตริงอย่างพี่แหวนเนี่ยแกกับเลือกร้องเพลงของคุณพุ่มพว ง, งดวงจันทร์ครับจําได้ว่าแกร้องผู้ชายในฝันอ่าก็เรียกได้เออคือฮากันทั้งทั้งทั้งเวทีเลยนะว่าเออเป็นนักร้องสตริงแต่กล้าที่จะร้องเพลงลูกทุ่งครับเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เราขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องราวดีๆของพี่แหวนกันต่อนะครับ แต่ก่อนแต่ไรไม่เคยอุ่นใจ อยูเคยงกับ อดทนหาใครสักคนน้อลงชุดมือกัน เพลงที่จบไปก็เป็นเพลงที่หลายๆคนยังคงเรียกร้องอยากจะฟังแล้วก็ยังชื่นชอบอยู่นะครับคือเพลงเรามีเราที่ทำให้เรามีพี่แหวนอยู่ในใจมาถึงทุกวันนี้นะครับครับตะกี้พูดค้างไว้ถึงคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตลดนตรีที่พี่แหวนเคยขึ้นแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับคนดูคนฟังในยุคนั้นนะครัครั้งหนึ่งที่ผมเคยสัมภาษณ์แกจริงๆสัมภาษณ์แกหลายครั้งนะฮะก็ทุกครั้งที่คุยกับแกนะ่ เขาจะมีเรื่องเล่าสนุกๆแต่ว่าเคยถามตรงเหตุการณ์ที่ประทับใจหรือไม่ลงในการเล่นคอนเสิร์ตพี่แหวนเคยเล่าให้ฟังนะครับว่ า, าในการเดินสายทั่วประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเล่นในเล่นหมดฮ ะ, ะทั้งโรงแรมสารกลางงานวัดแล้วโดยเฉพาะงานวัดเนี่ยเขบอกว่ามีอยู่หลายครั้งมีอยู่หลายจังหวัดที่มันมีเหตุการณ์ที่ลืมไม่ลงนั่นก็คือ บางครั้งเนี่ยเล่นๆอยู่หน้าเวทีมีคนตีกันมีคนไล่ยิงกันนักร้องนักดนตรีก็ต้องวิ่งหลบหลังกลองหลังเครื่องดนตรีคพื่อแหบบอกว่าจาได้ว่าครั้งนั้นเนี่ยเขายิงกันขึ้นมามันสวนขึ้นมาบนเวทีแล้วแก้เาเลยเนี่ยวิ่งกันไปรวมตัวกันหลังเวทีแล้วก็ รอกว่าคาตรงค่าตัวยังไม่ได้ก็เอเอเจ้าภาพเนี่ยก็วิ่งเอาเงินมาให้แต่ว่าเป็นเงินเนี่ยมีทั้งเศษเหรียญแบงค์สบแบงค์สมัย น, นั้นยังมีแบงค์บอยู่นะฮะ mm hmm. ก็บอกว่าโกยเหรียญกันลงกระเป๋าแล้วใส่เป้แล้วก็วิ่งขึ้นรถตู้กันไปก็ ่มีความตื่นเต้นมีความสนุกสนานแล้วก็เป็นความประทับใจที่ที่ทแกบอกว่าหรือไม่ลงนะฮะหรือบางครั้งเองเนี่ยก็บอกว่าไปเล่นในที่ที่มันค่อนข้างธุรกันดานช่วงกระมี่สมัยแรกๆนะแกบอกว่าเวลารับงานเนี่ยก็ก็จะมีงานที่เป็นแบบงานงานตามต่างจังหวัดสถานที่ไม่ค่อยอำนวย ก็ใช้ถังน้ํามันแบบแกลลอนที่เป็นที่เป็นเหล็ ก, ก น, นะฮะแล้วก็เอาไม้กระดานมาพาดพากกันแกบอกว่าเคยไปร้องกับพี่แหวนอ๊ะพี่แหวนเคยร้องกับพี่ตู่พี่เบิร์ตร้องๆไปไม้กระดานกระดกตกเวทีก็มีนะฮะอันนี้ก็เอ่อเป็นเรื่องสาวสนุกสนุกที่ที่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่านักร้องสมัยนั้นอนะ่ะก็เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตต้องเจออะไรบ้างนะฮะครับก็เอ่อ ถ้าใครที่เป็นแฟนเพลงพี่แหวนจริงๆนี่น่าจะจำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่แกเคยออกจากค่ายแกรมมี่ไปจริงๆพี่แหวนเป็นอย่างที่บอกนะเป็นนักร้อง เ, อเรียกว่าเป็นลูกม่อของแกรมมี่คือเป็นนักร้องลำดับที่4ของค่ายแล้วก็แกก็ทำเพลงกับแกรมมี่มาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งมาถึงชุดที่ชุดที่ชุดที่มนะใช่ก็มีการออกจากค่ายไปาหาประสบการณ์ใหม่ๆ จำได้ว่าตอนนั้นแกออกไปทำเพลงกับทีมบัตเตอร์ไนะครับชุดจู่โจมกับค่าย Warner Music Thailand ชุดนี้เป็นเพลง r ็อ k ที่น่าจะเรียกได้ว่าหนักที่สุดสำหรับสาหรับการทำเพลงกับพี่แหวนนะครับดนตรีไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาดนตรีทีมงานซึ่งเป็นอย่างที่บอกเป็นทีมงานบัตเตอร์ไเนี่ยเพราะฉะนั้นมีมีอะไรก็จะใส่มาหมดแล้วก็ สิ่งที่พี่แหวนอยากได้ในในช่วงที่อยู่กคมมี่แล้วแล้ ว, ลวทําไม่ได้นะก็ก็มาลงในอลัลบั้มชุดนี้ก็ถือได้ว่ า, ามีเสียงตอบรับมีเสียงชื่นชมจากคนดนตรีตัวจริงแล้วก็แฟนเพลงทั้งหลายนะครับครับอลัลบั้มชุดจู่โจมเนี่ยออกมาในประมาณช่วงปี2537นะฮะครับตัวตั ว, ตวยอดขายเนี่ยไม่ได้เป็นที่หือฮามากนักแต่ว่าอย่างที่บอกได้รับกล่องมากมากกว่าได้รับ ยอดขายนะครับชุดนี้พี่แหวนได้มีโอกาสรับรางวัลสีสัอวอร์ดด้วยนะครับกับรางวัลสีสัอวอร์ดครั้งที่เปี2537กับรางวัลศิล ป, ปินเดี่ยวหญิงยอดเยี่ยมนะครับจากอัลบั้มชุดจู่โจมก็ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของของเธออีกรางวัลหนึ่งนะครับพูดถึงอัลบัม้ม ของพี่แหวนเนี่ยถ้าเรานับกันจริงๆเนี่ยก็น่าจะมีไม่น้อยกว่าประมาณ1 3บสชุดนะครับไล่มาตั้งแต่ฉันเป็นชั้นเองเรามีเราคนที่รู้ใจสิน้นสัญญาแหวนจุดๆจุดหัวแม่ปป้งจูโจมแล้วก็จนมาถึงชุดหลังๆเนี่ย the very b a s t of แหวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลายๆครั้งแฟนเพลงที่รอคอยที่จะฟังเพลงใหม่ๆจากพี่แหวนเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการรอคอยค่อนข้าง นานกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะว่าพี่แวนเนี่ยจะทิ้งชั่วงในการทำเพลงค่อนข้างใช้เวลามากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแกมคนที่ใส่ใจกับการทำงานแล้วก็การเลือกเพลงเลือกทีมงานเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาเยอะครับแต่ยังไงก็ดีทุกอัลบั้มที่ออกมาเนี่ยบางชุดอาจจะได้รับการตอบรับที่ดียอดขายดีแต่บางชุดก็อาจจะแผ่วๆลงไปบ้างแต่ว่าทุกชุดเนี่ย ทุกคนทราบดีว่าสําหรับพี่แหวนแล้วคำว่าคุณภาพต้องมาก่อนนะฮะครับในส่วนของออชีวิตครอบครัวเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะทราบดีว่าพี่แหวนเนี่ยแต่งงานกับพี่ปุคุณบรรเจิด น, นะฮะเลยที่เรารู้จักคุณคุณปุ๊กุงเกษมนะฮะแล้วก็มีลูกสาวคือน้องปันปันเต็มฟ้าเกษณายุธนะครับตัวน้องปันปันเองเนี่ยก็เป็นนัก นักร้องนักแสดงอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นก็มีละครทั้งสลักจิตมีละครกับใคร e อ็กแอะไรอยู่พักหนึ่งนะฮะแล้วก็พอมาตอนหลังเนี่ยก็ให้เวลาการเรียนซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่พี่แหวนต้องการเห็นนะฮะครับจะบอกว่าในความเป็นแม่ของพี่แหวนเนี่ย เ, เรียกได้ว่าเป็นแม่ที่ค่อนข้างเต็มที่กับทุกสิ่งจริงๆมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่ปุ๊ป่วยแล้วก็ พี่แหวนเองต้องทํางานเรียกว่าช่วงนั้นแกเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วก็ต้องดูแลทั้งน้องน้องปันปันตอนน้องน้องปันปันน่าจะอายุประมาณสิอขวบนะครับต้องไปรับไปส่งคอนเสิร์ตก็ต้องเล่นเพลงก็ต้องร้องพี่ปุ ก, ก็ต้องดูแลซึ่งช่วงนั้นผมผมเห็นคื อ, ค, อคือได้ได้คุยแกช่วงนั้นก็รู้ว่าค่อนข้างเป็นเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าวิกฤตในในชีวิตช่วงหนึ่งแต่ว่ า, เ, าเคยถามพี่แหวนว่าผ่านช่วงวิกฤตของชีวิตมมาได้ยังไง พี่แหวนบอกว่ามีลูกเป็นกำลังใจทุกอย่างต้องคิดถึงลูกนะั่นคือแกจะให้ทั้งหมดไปกับ น, น้องปันปันแล้วก็ความคิดบวกของแกครับแกบอกว่าเออทุกอย่างต้องผ่านไปได้แล้วก็แกก็ผ่านมาได้จริงๆครับออไม่มีใครคิดถึงนะครับว่าวันหนึ่งออพี่แหวนจะป่วยเพราะว่าดูจากลักษณะท่าทางของแกเนะี่ยเป็นคนที่ ค่อนข้างสุขภาพดีเป็นคนที่มีความดูแลตัวเองได้ดีพอสมควรนะครับแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยที่เราได้ทราบข่าวว่าพี่แหวนป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ได้มีการรักษาไปในครั้งแรกนะฮะจนอาการหายและแล้วก็มาเป็นครั้งที่สองอีกแล้วก็รักษาอีกทาคีโมไปจำได้ว่าไม่ต่ากว่า25ครั้งนะฮะแล้วก็เกก็บอกว่าอาการดีขึ้นละ ทุกคนก็วางใจเออพี่เวศน่าจะโอเคแหละปรากฏว่ามะเร็งมันกลับมาอีกคราวนี้เป็นเป็นเป็นเป็น เ, นเคสที่ค่อนข้างทําอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันกินไปถึงกระดูกแล้วซึ่งตอนนั้นจําได้ว่าช่วงที่แกป่วยเนี่ยแกก็ยังไม่มีท่าทีให้เราเห็นไม่ให้ไม่ได้ให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเออแกป่วยหรือเป็นอะไรนะฮะแต่ว่าจําได้ว่าแกโพสลงไ G ลง Facebook ว่าเออป่วยก็ มีการให้กำลังใจกันไปนะฮะแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนเพื่อนบ้างคือไม่ว่าในช่วยมีการจัดคอนเสิร์ตมีการหารายได้เพื่อที่จะมาช่วยเหลือค่าใช้ใจ่ายในการรักษาตัวของพี่แหวนนะฮะนในตอนแรกแต่ว่าในที่สุดแล้วหลังจากที่ที่แกเป็นมะเร็งมาถึง5ปีเนี่ยวันที่7จกรกฎาคมพศสองพเนี่ยพี่แหวนก็จากโลกนี้ไป อย่างสงบในในวัยวัยห้าสิบห้าปีนะฮะซึ่งเรื่องเนี้ยถือได้ว่าเป็นเป็นการสูญเสียของวงการบันเทิงบ้านเราชนิดที่ว่าไม่มีใครคาดคาดถึงจริงๆฮะก็ในที่สุดพอพอทุกคนทุกคนเสียพี่แหวนไปแล้วเขก็ได้มีการจัดคอนเสิร์ตขึ้นนะฮะเป็นคอนเสิร์ตจำได้ว่า เป็นคอนเสิร์ตที่จัดที่ทองหล่อเป็นคอนเสิร์ตรวมพี่รวมน้องร่วมร้องเรามีเราที่ได้ทั้งพี่ตู่พี่แอมพี่ตุกวิทยาพี่เกียริปวีนาโจโนู่อะไรทุกคนมาร่วมกันร้องเพลงเพื่อหาไรายได้เ อ, อช่วยเหลือครอบครัวพี่แหวนซึ่งนั่นก็ทําเห็นว่าพี่แหวนเป็นที่รักของทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงหรือเพื่อนฝูงในวงการเพลงรวมไปถึงทุกคนที่เคยร่วม ง, งานกับเธอนะครับครับมาวันนี้พี่แหวนจากไปแล้ว ประมาณปีกอ่ออปีกว่าๆแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนยังไม่ลืมเธอแน่นอนนะครับ เ, เพราะว่าตัวจริงเสียงจริงแล้วก็คนคุณภาพอย่างผู้หญิงคนนี้หาไม่ได้ง่ายๆในวงการเพลงบ้านเราครับกเ็เอาเป็นว่า วันนี้ขอจบรายการเพียงเท่า น, นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งครับยังไงก็ฝากติดตามรายการ เ, เรื่องเก่าที่เรารักกับตุยตุยตินตินแล้วก็ฝากแฟนเพจของผมตุยตตินตินทียูไอทียูไอรวมไปถึง IG ชื่อเดียวกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ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 RMTT u -T -T Radio.